สิ่งที่จะฝากไว้ทําก็คือว่าทำในรูปแบบทำในรูปแบบแล้วก็เอาไปใช้ในชีวิตประจําวันด้วยเวลาว่างนิดๆหน่นนอยๆก็เอานะว่างนั่งรอตอนนั่งรอแล้วก็ดูกายก็ได้ดูกายไปเห็นกายเคลื่อนไปก็รู้ทันความเคลื่อนของกาะของใจกายเคลื่อนไหวก็รู้ทันกายเคลื่อนไหวใจเคลื่อนไหวก็ใจรู้ทันใจเคลื่อนไหวเวลาเล็กๆน้อยเก็บหมดเลย ในหลวงเคยท่านเคยไปสนทนากับกูรูว า, าจารย์่ยท่านวาจารบอกในหลวงนี่ภาวนาเก่งนะพระองค์ใช้เวลาตอนไหนเห็นภารกิจก็มากมายเหลือเกินใช้เวลาตอนไหนในหลวงบอกว่าใช้เวลาเล็กๆน้อยน้อยห้านาทีสามนาทีตอนนั่งในในรถตอนนั่งรอราชพิธีอะไรเนี่ยใช้เวลาตอนเนี้ยภาวนากับทําได้ดีกว่าพวกเราอีก <laughs> ทำทำได้ดีขนาดที่ว่าเศษของเศษพระในขลังเลยนะพระจิตรดาเคยได้ยินไหมขลังมากนะ <laughs> ใครมีบ้าง <laughs> ใครมีอะไรสงสัยไหมท้าไม่ไม่มีนะเดี <laughs> ย๋ยวตามาจะถาม <laughs> มีใครใครถามไหม